ธรรมบทแปลเรื่องที่หนึ่ง้สห้าเรื่องนางจินจะมานวิกาข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพนางจินจะมานวิกาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าเอกธรร ม, มะมติัถสะเป็นต้นตอน พวกเดรถีริษยาพระพุทธศาสนาความพิสดานว่าในปฐมบธิการเมื่อสาวกของพระทศพลมีมากหาประมาณมิได้เมื่อพวกเทวดาและมนุษย์ยังลงสู่อริยภูมิเมื่อพระคุณสมุทัยของพระศาสดาแผ่ไปแล้วลาบสการะเป็นอันมากเกิดขึ้นแล้วพวกเดรถี เป็นผู้เช่นกับแสงหิ่งห้อยในเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นผู้เสื่อมลาบสการะพวกเดรัจฉิเหล่านั้นยืนในระหว่างถนนแม้ประกาศให้พวกมนุษย์รู้แจ้งอยู่อย่างนี้ว่าพระสมณโคดมเท่านั้นหรือเป็นพระพุทธเจ้าแม้พวกเราก็เป็นพระพุทธเจ้าทานที่เขาให้แล้วแก่พระสมณโคดมนั้นเท่านั้นหรือมีผลมาก ทานที่เขาให้แล้วแม้แก่เราทั้งหลายก็มีผลมากเหมือนกันท่านทั้งหลายจงให้จงทำแก่เราทั้งหลายบ้างดังนี้แล้วไม่ได้ลาบสักการะเลยประชุมคิดกันในที่ลับว่าพวกเราพึงยังโทษให้เกิดขึ้นแกพระสมณโคดมในระหว่างมนุษย์ทั้งหลายพึงยังลาบสักการะให้ฉิบหาย โดยอุบายอะไรหนอแลการนั้นในกรุงสาวัตถีมีนางปริภาชิกาคนหนึ่งชื่อว่าจินจะมนานวิกาเป็นผู้ทรงรูปอันเลอโฉมถึงความเลิศ ด, ด้วยความงามเสมือนนางเทพอับศรฉะนั้นรัศมีย่มเปล่งออกจากสรีระของนางนั้นตอนนางจินจะมนานวิกา รับอาสาพวกเดรถีลำดับนั้นเดรถีผู้มีความรู้เฉียบแหลมคนหนึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราทั้งหลายอาศัยนางจินจัมานาวิกาพึงยังโทษให้เกิดขึ้นแก่พระสมณโคดมอย่างลาบสการะให้ชิบหายได้เดรถีเหล่านั้นรับรองว่าอุบายนี้มีอยู่ต่อมา นางจินจะมานวิกานั้นไปสู่อารามของเดรถีไหว้แล้วได้ยืนอยู่พวกเดรถีไม่พูดกับนางนางจึงคิดว่าเรามีโทษอะไรหนอแลแม้พูดครั้งที่สามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายดิฉันไหว้ดังนี้แล้วจึงพูดว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายดิฉันมีโทษอะไรหนอแล เพราะเหตุอะไรท่านทั้งหลายจึงไม่พูดกับดิฉันเดรธีน้องหญิงเจ้าย่อมไม่ทราบซึ่งพระสมณะโคดมผู้เบียดเบียนเราทั้งหลายเที่ยวทําเราทั้งหลายให้เสื่อมลาบสการะหรือนางจินจามานาวิกาดิฉันยังไม่ทราบเจ้าข่าก็ในเรื่องนี้ดิฉันควรทําอย่างไรเล่าเดรธี น้องหญิงถ้าเจ้าปรารถนาความสุขแก่เราทั้งหลายไซจงยังโทษให้เกิดขึ้นแก่พระสมณะโคดมแล้วยังลาบสการะให้ชิบหายพระอาศัยตนนางกล่าวว่าดีละพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายข้อนี้จงเป็นภาระของดิฉันเองท่านทั้งหลายอย่าคิดแล้วดังนี้แล้วหลีกไป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 ในเวลานี้จึงกล่าวว่าประโยชน์อะไรของท่านทั้งหลายด้วยที่ที่เราไปพักอยู่ในวัดของเดรธีในที่ใกล้พระเชตวันเมื่อคนผู้เป็นอุบาสกออกจากพระนครแต่เช้าตรู่ด้วยหวังว่าจากถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนางทำทีเหมือนอยู่ในพระเชตวันเข้าไปสู่พระนคร เมื่อคนผู้เป็นอุบาสกถามว่าท่านอยู่ณที่ไหนแล้วจึงกล่าวว่าประโยชน์อะไรของท่านทั้งหลายด้วยที่ที่เราอยู่โดยการล่วงไปหนึ่งเดือนสองเดือนเมื่อถูกถามจึงกล่าวว่าเราอยู่ในพระกันทักุดีเดียวกันกับพระสมณโคโดมในพระเชตวันยังความสงสัยให้เกิดขึ้นแก่ปุถุชนทั้งหลายว่า ข้อนั้นจริงหรือไม่หนอโดยการล่วงไปสถึงสเดือนเอาท่อนผ้าพันท้องแสดงเพศของหญิงมีคันให้เหล่าชนอันธพาลถือเอาว่าคันบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยพระสมณโคดมโดยการล่วงไป8ถึง9เดือนผูกไม้กลมไว้ที่ท้องห่มผ้าทับข้างบน ให้ทุบหลังมือและหลังเท้าด้วยไม้คางโคแสดงอาการบวมขึ้นมีอินทรีย์บอบช้ำเมื่อพระตถาคตประทับนั่งแสดงธรรมบนธรร ม, มาติ์ที่ประทับแล้วในเวลาเย็นไปสู่ธรรมสภายืนตรงพระพักของพระตถาคตแล้วกล่าวว่ามหาสมณะ พระองค์ดีแต่แสดงธรรมแก่มหาชนเท่านั้นเสียงของพระองค์ไพเราะพระโอษของพระองค์สนิทส่วนหม่อมฉันอาศัยพระองค์ได้เกิดมีคันครบกำหนดแล้วพระองค์ไม่ทรงทราบเรือนเป็นที่คลอดของหม่อมฉันไม่ทรงทราบเครื่องคันบริหารมีเนยใสและน้ำมันเป็นต้นเมื่อไม่ทรงทําเองก็ไม่ตรัสบอกพระเจ้าโกศล หรืออนาถาปิติกะหรือนางวิสาขามหาอุบาสิกาคนใดคนหนึ่งแม้บรรดาอุปถาคทั้งหลายว่าท่านจงทากิจที่ควรทำแก่นางจินจามานาวิกานี้พระองค์ทรงรู้แต่จะอภิรมเท่านั้นไม่ทรงรู้คันบริหารเป็นเหมือนพยายามจับก้อนคูดปามนทนพระจันฉนั้นดาพระตถาคตในท่ามกลางบริษัทแล้ว พระตถาคตทรงงดธรรมกถาแล้วเมื่อจะทรงบรรลือเยี่ยงอย่างศีหะจึงตรัสว่าน้องหญิงความที่คำอันเจ้ากล่าวแล้วจักจริงหรือไม่เราและเจ้าเท่านั้นย่อมรู้นางจิ้นจับมานวิกาอย่างนั้นมหาสมณะข้อนั้นเกิดแล้วโดยความที่ท่านและหม่อมฉันทราบแล้ว ตอนเทพบุตรทำลายกอุบายของนางจินจะมานาวิกาขณะนั้นอาสนะของเท้าสักกะแสดงอาการร้อนเท้าเธอทรงใคร้ครวญอยู่ก็ทราบว่านางจินจะมานาวิกายอมด่าพระทถาคตด้วยคำไม่เป็นจริงแล้วทรงดาริว่าเราจะชำระเรื่องนี้ให้หมดจด จึงเสด็จมากับเทพระบทสี่องค์เทพบระบททั้งหลายแปลงเป็นลูกหนูกัดเชือกที่ผูกท่อนไม้กลมโดยอันแท้ทีเดียวเท่านั้นลมพัดเวิรกผ้าห่มขึ้นไม้กลมพลัดตกลงบนหลังเท้าของนางจินจามานวิกานั้นปลายเท้าทั้งสองข้างแตกแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็พูดว่าแน่ ä, นางกาละกันนี เจ้าด่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทมเขล่าลงบนศรีรษะมีมือถือก้อนดินและท่อนไม้ชุดลากออกจากพระเจตวันตอนนางจินจัมมานวิกาถูกแผ่นดินสูบครั้นในเวลานางล่วงคลองพระเนตรของพระตถาคตไปแผ่นดินใหญ่แตกแยกให้ช่องแล้วเปเลวไฟตั้งขึ้นจากเอเวจี นางจินจามานวิกานั้นไปเกิดในเอเวจีเป็นเหมือนห่มผ้ากําพผลที่ตระกูลให้ลาบสการะของพวกเตระถีเสื่อมแล้วแต่กลับเจริญแก่พระทศพลโดยประมาณยิ่งในวันรุ่งขึ้นพวกภิกษุสนทนากันในธรรมสภาว่าผู้มีอายุทั้งหลายนางจินจามานวิกา ด่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ควรทักสีนาอันเลิศผู้มีคุณอันยิ่งอย่างนี้ด้วยคำไม่จริงจนถึงความพินาศใหญ่แล้วพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยถ้อยคำอะไรหนอเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าด้วยถ้อยคำชื่อนี้ แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เท่านั้นหามิได้ถึงในการก่อนนางจินจัมานาวิกานั้นก็ด่าเราด้วยคำไม่จริงถึงความพินาศแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วจึงตรัสมาหาปทุมาชาดกในทวารทศดิบาตนี้ให้พิสดารว่านาดิธาประโตโดสัง อนุทูลานิสัพพโซอิสโรปนเยดันดังซ่ามังอปติเวกคิยาผู้เป็นใหญ่ไม่เห็นโทษน้อยใหญ่ของผู้อื่นโดยประการทั้งปวงแล้วไม่ทันพิจารณาเห็นเองไม่พึงลงอัชิยาตอนพระโพธิสัตว์ถูกทิ้งลงในเหวแต่ไม่ตาย พระองค์ตรัสว่าได้ยินว่าในการนั้นนางจินจัมมาณาวิกานั้นเป็นผู้ร่วมสามีของพระมารดาของพระโพธิสัตว์ทรงนามว่ามหาปทุมะกุมารเป็นอัครมเหสีของพระราชาเชิญชวนพระมหาสัตว์ด้วยอสัตยธรรมไม่ได้ความยินยอมของพระโพธิสัตว์นั้นแล้วทำประการแปลกในตน ด้วยตนเองแสดงอาการหลวงว่าเป็นไข้จึงกราบทูลแด่พระราชาว่าพระราชโอรสของพระองค์ยังหม่อมฉันผู้ไม่ปรารถนาอยู่ให้ถึงประการแปลกนี้พระราชากริว้วทิ้งประมหาสัตว์ไปในเหวเป็นที่ทิ้งโจรลำดับนั้นเทวดาผู้สิงอยู่ที่ท้องแห่งภูเขา รับมหาสัตว์นั้นแล้วให้ประดิษฐานอยู่ในห้องพังพานของพระยานาคพระยานาคนำพระมหาสัตว์นั้นไปสู่ภพนาคส่งรับรองด้วยราชสมบัติกึ่งหนึ่งพระมหาสัตว์นั้นอยู่ในภพนาคนั้นสิ้นปีหนึ่งใกล้จะบวชจึงมาสู่หิมาวันตะประเทศบวชแล้วให้ชาลและอภิญญาบังเกิดแล้ว ตอนพระโพธิสัตว์ถวายพระโอวาทแก่พระราชาต่อมาพรานไพรผู้หนึ่งเห็นพระมหาสัตนั้นแล้วจึงกราบทูลแด่พระราชาพระราชาเสด็จไปสู่สำนักของพระมหาสัตนั้นแล้วมีปฏิสันถานอันพระมหาสัตว์ทำแล้วทรงทราบประพฤติเหตุนั้นทั้งหมดทรงเชื้อเชิญพระมหาสัตว์ด้วยราชสมบัติ พระมหาสัต์นั้นถวายโอวาทว่ากิดด้วยราชสมบัติของหม่อมฉันไม่มีก็พระองค์จงอยากให้ราชธรรมสิบประการกำเริบทรงละการถึงอคติเสียแล้วสเสวยราชสมบัติโดยธรรมเถิดดังนี้แล้วสเสด็จลุกจากอาสนะทรงกันแสงสเสด็จไปสู่พระนคร จึงตรัสถามอมตะทั้งหลายในระหว่างหนทางว่าเราถึงความพลัดพรากจากบุตรซึ่งสมบูรณ์ด้วยอาจาระอย่างนี้เพราะอาศัยใครอมาตะเพราะอาศัยพระมเหสีพระเจ้าค่าพระราชารับสั่งให้จับพระอัครมเหสีนั้นให้มีเท้าขึ้นแล้วทิ้งไปในเหวที่ทิ้งโจร เสด็จเข้าไปสู่พระนครเสวว ร, ราชสมบัติโดยธรรมมหาปทุมกูมานในการนั้นได้เป็นพระมหาสัตว์หญิงร่วมสามีพระมารดาได้เป็นนางจินจมานวิกาพระศาสดาครั้นทรงประกาศเนื้อความนี้แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็ขึ้นชื่อว่าบาปกรรมอันบุคคลผู้ละคำสัตว ซึ่งเป็นธรรมอย่างเอกแล้วตั้งอยู่ในมุสาวาทผู้มีประโลกอันสละแล้วไม่พึงธรรมย่อมไม่มีดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าเอกธรรมะมะติตัสสะมุสาวาดิสชะันุโนวิติ น, นะประโลกะสะนัตติปาปังอาการยัง บาปอันชนผู้ก้าวล่วงทมอย่างเอกเสียผู้มักผู้เทศผู้มีประโลกอันล่วงเลยเสียแล้วไม่พึงทมย่อมไม่มีตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเอกธรร ม, มังคือซึ่งคำสัตว์บทว่ามุซาวาทิสะความว่าบรรดาคำพูดสิบคำ คำสัตว์แม้คำหนึ่งย่อมไม่มีแก่ผู้ใดอันผู้เห็นปานนี้ชื่อว่าผู้มักผููเท็จบาปประกาศาว่าวิตินะประโลสะได้แก่ผู้มีปรโลกอันปล่อยเสร็จแล้วก็บุคคลเห็นปานนี้ย่อมไม่พบสมบัติสามอย่างเหล่านี้คือมนุษย์สมบัติเทพสมบัตินิพพานสมบัติ ในอวสานสองบทว่านัตถิปาปังความว่าความสงสัยว่าบาปชื่อนี้อันบุคคลนั้นคือผู้เห็นบานนั้นไม่พึงทำดังนี้ย่อมไม่มีในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติปผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่อง นางจินจามานวิกา